อธิบายปัญหาในเรื่องรักมีกรรมเรื่องรักมีกรรมซึ่งได้นําลงในเดือนมีนาคมที่แล้วมาเนี้ยปรากฏว่ามีปัญหาที่น่าสงสัยอยู่หลายอย่างและข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามโอปปาติกะองค์หนึ่งไว้แล้วแต่เนื่องจากหน้ากระดาษในเดือนที่แล้วมีไม่พอจึงได้นํามาลงในฉบับนี้ และถ้าหากผู้ใดอ่านปัญหาในฉบับนี้ไม่รู้เรื่องก็หมายความว่าไม่ได้อ่านหรือฟังเรื่องที่แล้วมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ย้อนกลับไปอ่านหรือฟังส่วนปัญหาที่น่าสงสัยในเรื่องนี้ก็คือทำไมเขาเป็นทหารฆ่าคนตายมามากจึงไม่ตกนรกทำไมจึงต้องมาวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่ถูกฆ่าและสถานที่อันเป็นที่อยู่ของหญิงที่เขารักทาไมจึงไม่ไปไหน ก่อนอื่นท่านขอให้นึกถึงหลักพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันหวังได้พุทธพจน์บทนี้หมายความว่าคนไหนในขณะที่กำลังจะดับจิตถ้าจิตใจเศร้าหมองคือมีความทุกข์ทรมานหรือมีความห่วงใยมีความวิตกกังวลต่างๆถ้าหากตายลงในขณะที่จิตใจอ ย, อยู่ในสภาพอย่างนี้ ตายไปแล้วจะต้องไปสู่ทุกขติคือตายไปแล้วก็จะต้องไปลาบากเพราะคำว่าทุกขติตามศัพท์แปลว่าไปลาบากหรือไปเป็นทุกข์ไปไม่ดีดังเช่นในกรณีของนายทหารผู้นี้ส่วนปัญหาที่ว่าทำไมจึงไม่ตกนรกนั้นท่านได้ให้ความกระจ่างว่าคำว่านรกไม่ได้มีความหมายว่า จะต้องเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งและในเมืองนรกนั้นจะต้องมีโย ม, มาบาลจะต้องมีไฟมีกระทะทองแดงมีต้นงิ้วอะไรต่างๆในทำนองนี้เสมอไปอันที่จริงนาะทหารผู้นี้เขาก็ได้ตกนรกอยู่แล้วเพราะในทางจิตใจของเขานั้นได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักมาตั้งแต่ตายจนถึงบัดนี้และก็ยังไม่มีใครทราบว่าจะต้องทุกข์ทรมานอยู่ในสภาวะอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ ขอให้นึกถึงว่าคนอยู่ในโลกมนุษย์และกำลังอยู่ในความรักแต่แล้วก็มีเหตุที่ทำให้ถูกสารที่ภาคสาให้ประหารชีวิตลองนึกดูซิว่าความทรมานใจที่ได้รับเพราะการพลัดพรากและการถูกลงโทษถึงตายเช่นนี้จะรุนแรงสักขนาดไหนและความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดก็ยังคงมีอยู่หลังจากตายและก็รู้สึกว่าตัวตนยังมีอยู่ความรู้สึกผูกพันกับหญิงที่ตนรักก็ยังมีอยู่ แต่แล้วเมื่อมาหาที่ไรก็ไม่เคยพบและนอกจากนี้ยังจะมีปัญหาต่างๆอีกหลายอย่างซึ่งตัวเองไม่เข้าใจซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่สร้างความทรมานใจให้แก่ตนทั้งสิ้นความทุกข์ทรมานเหล่านี้ยังไม่เรียกว่านรกอีกหรือคนไทยโดยทั่วไปเมื่อนึกถึงเรื่องนรกก็มักจะนึกถึงเรื่องและรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องเมืองนรก ตามที่เคยรู้เคยเห็นมาในเมื่อมาพบตัวอย่างของคนที่ฆ่าคนอื่นมามากซึ่งก็ถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งตามความคิดเห็นของคนเหล่านี้จึงได้สงสัยว่าทำไมเขาจึงไม่ถูกทรมานอยู่ในเมืองนรกที่มีไฟมีเครื่องประหัดประหารต่างๆและเพราะเหตุที่เรื่องนรกที่คนไทยส่วนมากทราบจากหลักฐานในคัมภีร์เป็นดังที่กล่าวมานี้จึงไม่ค่อยจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะรู้สึกว่า ออกจะเกินความจริงมากเกินไปและสำหรับปัญหาที่ว่าทำไมนายทหารอังกฤษผู้นี้ทั้งที่ตายมาตั้งหลาย10ปีแล้วจึงยังไม่ไปไหนทำไมจึงยังต้องวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ถูกฆ่าแล้วก็มาเฝ้าอยู่ที่บ้านร้างหลังนั้นท่านบอกว่าสันนิษฐานยาก เพราะไม่ได้พบเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองในกรณีอย่างนี้อาจจะสันนิษฐานได้หลายอย่างเช่นเพราะจิตหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องผู้หญิงที่ตนเองรักฉะนั้นความผูกพันก็ต้องเกี่ยวโยงไปถึงสถานที่ที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นด้วยและอีกอย่างในกรณีของนายทหารผู้นี้ก็ไม่แน่ชัดว่าเขาได้แน่ใจว่าตัวเองได้ตายไปแล้วหรือยังเพราะถ้าหากเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องชีวิตหลังจากตาย ทั้งที่รู้อยู่ว่าได้ถูกยิงเป้าซึ่งก็แน่ใจว่าตนเองจะต้องตายแต่ในเมื่อเขากลับมีตัวตนเกิดขึ้นใหม่เหมือนในสภาพเดิมความนึกคิดก็เหมือนเดิมจึงอาจจะทำให้เขาเข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายซึ่งถ้าความรู้สึกอันนี้ยังฝังใจอยู่เขาก็จะไปจากที่เขาถูกฆ่าไม่ได้เพราะความคิดมันจะวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ของสถานที่นั้นและอย่าลืมว่า ชีวิตของพวกโอปปาติกะนั้นเหมือนกับชีวิตในความฝันซึ่งในเมื่อตั้งต้นด้วยเรื่องอะไรแล้วถ้ายัางไม่ตื่นเรื่องในทํานองนั้นก็จะสืบต่อไปเรื่อยๆคนที่เป็นโอปปาติกะก็เหมือนกันถ้าไม่รู้ตัวว่าตายหรือรู้แต่ก็สงสัยและไม่ค่อยจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าพวกเหล่านี้เป็นพวกที่น่าสงสาร ถึงแม้จะไม่ได้ทำบาปกรรมไว้มากแต่ชีวิตของเขาก็จะวนเวียนอยู่แต่ในความนึกคิดที่ซ้ำไปก็ซ้ำมาอยู่แต่ในเรื่องเก่าเหมือนกับในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์และโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะสิ้นใจนั้นจะมีอิทธิพลเป็นเจ้าเรือนที่ครองอยู่ในใจเกือบตลอดความคิดอย่างอื่นที่เข้ากันไม่ได้หรือขัดแย้งกันจะเกิดขึ้นได้ยากที่สุด เพราะเหตุนี้คนที่ตายในลักษณะอย่างนี้จึงมักจะวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่เป็นความประทับใจก่อนที่จะสิ้นใจแต่ถ้าหากคนไหนเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องชีวิตดีมีพื้นปล่อยวางมากมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์บุคคลประเภทนี้ไม่ว่าจะตายโดยวิธีไหนจะไม่ได้รับการทรมานเหมือนกับพวกที่กล่าวมาและจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีเหตุผล ปรับตัวเองให้เข้ากันได้กับโลกใหม่ได้ดีซึ่งจะทำให้เขามีความสุขและมีความก้าวหน้าในทางสติปัญญาด้วยยังมีปัญหาที่น่าสงสัยอีกข้อหนึ่งคือทำไมนายทหารผู้นี้ซึ่งไม่ได้มีร่างกายเป็นเนื้อนหนังเหมือนกับมนุษย์แล้วจึงได้มีรอยรูกระสุนอยู่ที่หน้าอกและมีรอยเลือดเปื้อนอยู่ด้วย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านแนะให้นึกถึงพวกผีหัวขาดซึ่งตายมาด้วยการถูกตัดศีรษะพวกเหล่านี้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีหัวแต่เขาก็มีชีวิตอยู่ได้นในโลกของโอปปาติกะซึ่งถ้าเป็นคนเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยผีหัวขาดเกิดขึ้นได้อย่างไรและอีกอย่างหนึง่งคน ตายด้วยอุบัติเหตุส่วนมากเมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกะแล้วสภาพร่างกายมักจะอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเมื่อตอนก่อนที่จะสิ้นใจเช่นเคยมีบาดแผลอย่างไรหรือพิการอย่างไรเมื่อเกิดเป็นโอปปาติกะสภาพร่างกายก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ขอได้โปรดจําไว้ด้วยว่าไม่ใช่จะเป็นเช่นนี้ทุกรายไปและอีกอย่างหนึ่ง เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่อยู่ในตอนที่เป็นโอปปาติกะนี้ก็มักจะเหมือนกับเสื้อผ้าที่เขาเคยใช้อยู่เป็นประจำในสมัยที่ยังเป็นคนต้องพยายามนึกถึงตัวอย่างเหล่านี้เปรียบเทียบจึงจะเข้าใจได้ว่าทำไมนายทหารผู้นี้จึงยังมีรอยกระสุนปรากฏอยู่ที่หน้าอกและยังมีรอยเลือดเปื้อนอยู่แต่นี่ก็เป็นเพียงคาเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายเท่านั้น ส่วนหลักวิชาจริงๆที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนี้มีรายละเอียดมากและลึกซึ้งมากยากที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าใจได้จึงไม่ได้อธิบายส่วนปัญหาข้อสุดท้ายที่น่าสงสัยก็คือโดยธรรมดาคนเราจะเห็นโอปปาติกะไม่ได้ แม้จะใช้ความพยายามสักเพียงไรก็ตามและถ้าหากโอปปาติกะเป็นสิ่งที่สามารถจะเห็นได้ง่ายซึ่งใครๆก็สามารถที่จะเห็นได้แล้วปัญหาลึกลับเกี่ยวกับเรื่องผีสางนางไม้ตลอดถึงเทวดาทั้งหลายก็คงจะไม่มีแต่เหตุฉไหนในเรื่องของนายพันตรีเวอร์นอนจึงมีคนเห็นบ่อย สำหรับในปัญหาข้อนี้ท่านได้ตอบว่าท่านเองก็ไม่รู้แน่เพราะไม่ได้สืบเรื่องนี้และไม่รู้จักกับคนคนนี้ด้วยแต่เท่าที่ตอบมานี้เป็นการตอบตามหลักเกณฑ์โดยทั่วไปกล่าวคือโดยหลักธรรมดาโอปปาติกะทั้งหลายมีกายหยาบและละเอียดไม่เหมือนกันโอปปปาติกะที่จะปรากฏให้คนอื่นเห็นได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีกายหยาบและที่ว่ามีกายหยาบนั้น หมายถึงว่าลักษณะทางร่างกายมีความแน่นเกือบจะเหมือนกายเนื้อและที่มีกายหยาบนี้ก็เนื่องมาจากสภาพจิตใจยังเป็นมนุษย์อยู่มากคือถึงแม้จะได้ตายไปแล้วจากโลกมนุษย์และแม้จะรู้ตัวว่าได้ตายไปแล้วก็ตามแต่จิตใจยังเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องมนุษย์มากอันนี้คือเหตุสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดเป็นกายหยาบ ขอได้โปรดจำหลักไว้ว่าสภาพแห่งร่างกายของโอปปปาติกะนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจโดยตรงเมื่อใจหยาบคือมีความเกาะเกี่ยวติดอยู่ในเรื่องวัตถุมากและไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตผู้ที่มีจิตใจหยาบอย่างนี้กายก็ย่อมหยาบด้วยส่วนผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงหรือไม่ได้ฌานแต่มีคุณธรรมสูงมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตดี พวกนี้ย่อมมีกายละเอียดกว่าอันหนึ่งคนที่เคยเห็นเฉพาะแต่โอปปาติกะที่มีกายหยาบนั้นเมื่อมาอยู่ต่อหน้าโอปปาติกะที่มีกายละเอียดแม้ตนเองจะรู้อยู่โดยการบอกเล่าจากคนที่มีสมาธิดีกว่าว่ามีโอปปปาติกะอยู่ข้างหน้าตนหรืออยู่ใ ก, กล้ๆกับตนแต่แล้วก็จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นขอให้สังเกตว่า พวกที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าตายและมีความเป็นห่วงอยู่กับบุคคลในโลกนี้หรือเป็นห่วงทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามพวกนี้มักจะมีกายหยาบจึงทำให้บุคคลประเภทที่มีตาเป็นสื่อสามารถเห็นได้ในบางครั้งและการเห็นของผู้ที่มีตาเป็นสื่อนั้นส่วนมากก็มักจะเกิดในตอนที่จิตว่างซึ่งอาจจะมีได้ในบางครั้งคล้ายๆกับคนที่กาลังจะหลับแต่หูก็ยังได้ยิน ภาวะของจิตในตอนนี้จะลืมจากโลกภายนอกแต่ก็ยังไม่ถึงกับหมดสติทีเดียวภาวะของจิตใจในลักษณะเคลิ้มเช่นนี้แหละที่มักจะทำให้เห็นโอปปาติกะแต่อย่าลืมว่าส่วนมากจะเห็นได้เฉพาะแต่โอปปปาติกะที่มีกายหยาบดังเช่นนาพันตรีเวอร์นอนในเรื่องรักมีกรรมอย่างนี้เป็นต้น สำหรับผู้ที่ฝึกสมาธิถึงขั้นหลับในสมาธิได้และสามารถเข้าไปติดต่อกับโอปปปาติกะได้นั้นโดยปกติก็สามารถจะเห็นโอปปาติกะได้มากมายแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีโอปปาติกะอีกมากมายที่อยู่ในภูมิสูงซึ่งมีกายละเอียดมากคนที่ได้สมาธิดังที่กล่าวมาไม่สามารถที่จะเห็นได้ถึงแม้จะมายือนอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่สำหรับผู้ที่ได้ทิพยจักสุจริง ซึ่งโดยธรรมดาผู้ที่ได้ทิพยจักสุจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงมากสําหรับบุคคลประเภทนี้จะสามารถเห็นโอปปาติกะได้มากกว่าผู้ที่หลับในสมาธิได้มากมายแล้วเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้แล้วและขอให้ย้อนไปดูในเรื่องหนูน้อยโรซารีจากแววเสียงสวรรค์เล่มสองที่ผ่านมา